คั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมภาษิทิ์ของท่านพระมหากัจจานะแล้วลุกขึ้นจากอาสนะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรเด้๋ยกราบทุลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยยอ่อแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลาย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 แล้วไม่ทรงชี้แจงเนื้อความโดยพิสดารทรงลุกจากพุทธาฏเสด็จเข้าไปยังที่ประทับข่าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปไม่นานข่าพระองค์ทั้งหลายนั้นได้มีความสงสัยว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยย่อนี้แก่เราทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงพิจารณาโดยประการที่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 ทรงลุกจากพุทธอาฏเสด็จเข้าไปยังที่ประทับใครเล่าหนอจะพึงชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยย่อไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นเกิดความคิดขึ้นว่าท่านพระมหากัจจานะนี้เป็นผู้ที่ระศาสดาทรงยกย่อง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 ลำดับนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายเข้าไปหาท่านพระมหากัจจานะถึงที่อยู่แล้วสอบถามเนื้อความนี้กับท่านพระมหากัจจานะท่านพระมหากัจจานะได้ชี้แจงเนื้อความแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายแล้วโดยอาการเหล่านี้โดยบทเหล่านี้โดยพยัญชนะเหล่านี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมหากัจจานะเป็นบัณฑิตมีปัญญามาก แม้ถ้าเธอทั้งหลายพึงสอบถามเนื้อความนั้นกับเราถึงเราก็พึงตอบอย่างเดียวกับที่มหากัจจานะตอบแล้วเหมือนกันก็เนื้อความแห่งอุเทศนั้นเป็นอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงทรงจำเนื้อความนั้นไว้อย่างนั้นเถิดพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิทธิ์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาค ดังนี้แลอุเทศวิพังคสูตรที่8จบ 9. ก้าอรณะวิพังคสูตรว่าด้วยการจำแนกธรรมที่ไม่มีกิเลส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 เราจะแสดงอารณวิพังแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังอารณวิพังนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะ ก, กล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงประกอบหนึ่งเนื่งซึ่งสุกเมกามอันซามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และไม่พึงประกอบหนึ่งเนื่งซึ่งอัตตกิลมัฐานุโยกการประกอบความลำบากเดือดร้อนแก่ตนอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ภิกษุทั้งหลายมัชฌิมาปฏิปทาไม่เอียงเข้าใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วอันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจกักษุก่อให้เกิดยาน เป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตัดสรู้เพื่อนิพพานพึงรู้จักการยกย่องและการตําหนิครั้นรู้แล้วไม่พึงยกย่องไม่พึงตําหนิพึงแสดงธรรมเท่านั้นพึงรู้การตัดสินความสุขครั้นรู้แล้วพึงประกอบเนืองๆซึ่งความสุขในภายในไม่พึงกล่าวความลับไม่พึงกล่าวคําล่วงเกินต่อหน้าเมื่อไม่รีบร้อนจึงพูด เมื่อรีบร้อนไม่ควรพูดไม่พึงยึดภาษาท้องถิน่นไม่พึงละเลยคำพูดสามัญ น, นี้เป็นอุเทศแห่งอารณวิพังเรากล่าวคำนี้ไว้ว่า ภิกษุไม่พึงประกอบห น, นึ่งหนึ่งซึ่งสุกในกามอันซามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์และไม่พึงประกอบห น, นึ่งหนึ่งซึ่งอตตะคิลมถ า, านุโยกอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นธรรมคือการประกอบห น, นึ่งหนึ่งซึ่งโสมนัสของบุคคล ผู้มีความสุขอันเกิดจากกามอันซามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่อของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้มีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดทรรคือการไม่ประกอบหนึ่งเนืองซึ่งสม น, นัตของบุคคลผู้มีความสุขอันเกิดจากกามอันซามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชน ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้ไม่มีทุกไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูกทำคืออตตักิลมถ า, านุโยกอันเป็นทุกไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้มีทุกมีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิด ทำเป็นเหตุไม่ประกอบหนึ่งเนื่งซึ่งอัตกิลมถานุโยกอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้ไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูกคำที่เรากล่าวไว้ว่าภิกษุไม่พึงประกอบหนึ่งเนื่งซึ่งสุกในกามอันสามเป็นของชาวบ้านเป็นของผูทุชนไม่ใช่ของพระอริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และไม่พึงประกอบหนึ่งเนื่งซึ่งอัตตกิลมัฐานุโยกอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์นั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้ อริยมรรคมีองค์แปดเรากล่าวคำนี้ไว้ว่ามัชจิมาปฏิปทาไม่เอียงเข้าใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วอันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักสุก่อให้เกิดยานเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือ อริยมรรคมีองค์แปดนี้ได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิเห็นชอบสองสัมมาสังกัปปะดำริชอบสสัมมาวาจาเจรจาชอบ 4. สัมมากรรมตะประทมชอบ 5. สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ 6. สัมมาวายามะพยายามชอบ 7. สัมมาสติระลึกชอบ 8. สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบคำที่เรากล่าวไว้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาไม่เอียงเข้าใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วอันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจากสุก่อให้เกิดยานเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้ กล่าวคำนี้ไว้ว่าภิกษุ พ, พึงรู้จักการยกย่องและการตำหนิครั้นรู้แล้วไม่พึงยกย่องไม่พึงตำหนิพึงแสดงธรรมเท่านั้นเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นการยกย่องการตำหนิและการไม่แสดงธรรมเป็นอย่างไรคือบุคคลเมื่อกล่าวดังนี้ว่าชนเหล่าใดประกอบหนึ่งเนืองซึ่งโสมนัตของบุคคลผู้มีความสุขอันเกิดจากกาม อันซามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงมีทุกมีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติผิดชื่อว่าตำหนิชนพวกหนึ่งบุคคลเมื่อกล่าวดังนี้ว่าชนเหล่าใดไม่ประกอบหนึ่งหนึ่งซึ่งโสมนัสของบุคคลผู้มีความสุขอันเกิดจากกาม อันสามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติถูกชื่อว่ายกย่องชนพวกหนึ่งบุคคลเมื่อกล่าวดังนี้ว่าชนเหล่าใดประกอบหนึ่งเนืองซึ่งอัตตะกีลมถานุโยกอันเป็นทุกข์ ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงมีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติผิดชื่อว่าตําหนิชนพวกหนึ่งบุคคลเมื่อกล่าวดังนี้ว่าชนเหล่าใดไม่ประกอบเนือ ง, งซึ่งอัตติลิมาถานุโยกอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์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 ตำหนิชนพวกหนึ่งบุคคลเมื่อกล่าวดังนี้ว่าชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งและภวะสังโยชน์ได้แล้วชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติถูกชื่อว่ายกย่องชนพวกหนึ่งภิกษุทั้งหลายการยกย่องการตำหนิและการไม่แสดงธรรมเป็นอย่างนี้แล การไม่ยกย่องการไม่ตำหนิและการแสดงธรรมเป็นอย่างไรคือบุคคลไม่กล่าวอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดประกอบหนึ่งเนึ่งซึ่งโสมนัสของบุคคลผู้มีความสุขอันเกิดจากกามอันสามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงมีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความขับแคนมีความเร่าร้อน เป็นผู้ปฏิบัติผิดเขาเมื่อกล่าวดังนี้ว่าธรรมคือการประกอบหนึ่งเนืองนี้แลมีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดชื่อว่าแสดงธรรมเท่านั้นบุคคลไม่กล่าวอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดไม่ประกอบหนึ่งเนืองซึ่งสมนักของบุคคลผู้มีความสุขอันเกิดจากกามอันสามเป็นของชาวบ้าน เป็นของผู้ทุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความขับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติถูกเขาเมื่อกล่าวดังนี้ว่าธรรมคือการไม่ประกอบเนึงเนืองนี้แหลไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูก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 มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดชื่อว่าแสดงธรรมเท่านั้นบุคคลไม่กล่าวอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดไม่ประกอบเนืองๆซึ่งอัตตะครมาฐานุโยกอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อน เป็นผู้ปฏิบัติถูกเขาเมื่อกล่าวดังนี้ว่าธรรมคือการไม่ประกอบหนึ่งหนึ่งนี้แลไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูกชื่อว่าแสดงธรรมเท่านั้นบุคคลไม่กล่าวอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งยังละภวะสังโยชน์ไม่ได้ชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงมีทุกข์ มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติผิดเขาเมื่อกล่าวดังนี้ว่าเมื่อบุคคลยังละภวะสังโยชน์ไม่ได้แม้พบก็เป็นอันละไม่ได้ชื่อว่าแสดงธรรมเท่านั้นบุคคลไม่กล่าวอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดเหล่าหนึง่งละภวะสังโยชน์ได้แล้วชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียน ไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติถูกเขาเมื่อกล่าวดังนี้ว่าก็เมื่อบุคคลละภวะสังโยชน์ได้แล้วแม้พบก็เป็นอันละได้แล้วชื่อว่าแสดงธรรมเท่านั้นภิกษุทั้งหลายการไม่ยกย่องการไม่ตำหนิและการแสดงธรรมเป็นอย่างนี้คำที่เรากล่าวไว้ว่าภิกษุพึงรู้จักการยกย่องและการตำหนิ รันรู้แล้วไม่พึงยกย่องไม่พึงตำหนิพึงแสดงธรรมเท่านั้นนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้กามคุณห้าประการเรากล่าวคำนี้ไว้ว่า ภิกษุพึงรู้การตัดสินความสุขครั้นรู้แล้วพึงประกอบหนึ่งเนื่งซึ่งความสุขในภายในเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายกามคุณหประการนี้กามคุณหประการอะไรบ้างคือหนึ่งรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่หน้าปรารถนาะหน้าใคร่หน้าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัด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 สุขโสมนัสที่อาศัยการามคุณห้าประการนี้เกิดขึ้นเราเรียกว่าสุขอันเกิดจากการามเป็นสุขที่เกิดแต่เมถุนธรรมเป็นสุขของปุถุชนไม่ใช่สุขของพระอริยะเรากล่าวว่าภิกษุไม่พึงเสพไม่พึงเจริญไม่พึงทำให้มากพึงกลัวสุขชนิดนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว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 สุขนี้เราเรียกว่าเนคข ม, มสุขเป็นสุขอันเกิดจากความสงัดเป็นสุขเกิดจากความสงบเป็นสุขเกิดจากการตรัสรู้เรากล่าวว่าภิกษุพึงเสพพึงเจริญพึงทำให้มากไม่พึงกลัวสุขชนิดนี้คำที่เรากล่าวไว้ว่าภิกษุพึงรู้การตัดสินความสุขครั้นรู้แล้วพึงประกอบเนือ ง, งซึ่งความสุขในภายใน นั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าภิกษุไม่พึงกล่าวความลับไม่พึงกล่าวคําล่วงเกินต่อนหน้าเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้น ภิกษุทั้งหลายในเรื่องนั้นภิกษุรู้ความลับอันใดที่ไม่เป็นความจริงไม่เป็นความแท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่พึงกล่าวความลับนั้นเป็นอันขาดแม้รู้ว่าความลับอันใดที่เป็นความจริงเป็นความแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็พึงสำเนียกเพื่อจะไม่กล่าวความลับนั้นและพึงรู้ความลับอันใดเป็นความจริงเป็นความแท้ประกอบด้วยประโยชน์ ในเรื่องนั้นภิกษุพึงรู้การเพื่อจะกล่าวความลับนั้นภิกษุทั้งหลายในเรื่องนั้นภิกษุรู้คำล่วงเกินต่อหน้าอันใดที่ไม่เป็นคำจริงไม่เป็นคำแท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่พึงกล่าวคำล่วงเกินต่อหน้านั้นเป็นอันขาดแม้รู้ว่าคำล่วงเกินต่อหน้าอันใดที่เป็นคำจริงเป็นคำแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ก็พึงสำเนียกเพื่อจะไม่กล่าวคำล่วงเกินต่อหน้านั้นและพึงรู้คำล่วงเกินต่อหน้าอันใดที่เป็นคำจริงเป็นคำแท้ประกอบด้วยประโยชน์ในเรื่องนั้นภิกษุพึงรู้การเพื่อจะกล่าวคำล่วงเกินต่อหน้านั้นคำที่เรากล่าวไว้ว่าภิกษุไม่พึงกล่าวความลับไม่พึงกล่าวความล่วงเกินต่อหน้านั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าภิกษุเมื่อไม่รีบร้อนจึงพูดเมื่อรีบร้อนไม่ควรพูดเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายในเรื่องนั้นเมื่อภิกษุรีบร้อนพูดแม้กายก็ลำบากจิตก็แหวงเสียงก็พรา่าคอก็แห้งแม้คำพูดที่ภิกษุรีบร้อนพูดก็ไม่สละสลวยฟังไม่เข้าใจ ภิกษุทั้งหลายในเรื่องนั้นเมื่อภิกษุไม่รีบร้อนพูดกายก็ไม่ลำบากจิตก็ไม่แขว่งเสียงก็ไม่พร่าคอก็ไม่แห้งแม้คำพูดที่ภิกษุผู้ไม่รีบร้อนพูดก็สละสลวยฟังเข้าใจคำที่เรากล่าวไว้ว่าภิกษุเมื่อไม่รีบร้อนจึงพูดเมื่อรีบร้อนไม่ควรพูดนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้ เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าภิกษุไม่พึงยึดภาษาท้องถิน่นไม่พึงละเลยคำพูสามันเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นการยึดภาษาท้องถิน่นและการละเลยคำพูสามันเป็นอย่างไรคือภาชนะชนิดเดียวกันนั่นแหละในโลกนี้บางท้องถิ่นรู้จักกันว่าปาติบางท้องถิ่นรู้จักกันว่าปัตตะบางท้องถิ่นรู้จักกันว่า ปิดทะบางท้องถิ работает, ่นรู้จักกันว่าสราวะบางท้องถิ่นรู้จักกันว่าฮโรสะบางท้องถิ่นรู้จักกันว่าโปณะบางท้องถิ่นรู้จักกันว่าฮณะบางท้องถิ่นรู้จักกันว่าปิปิละภิกษุผู้ด้วยความยึดมั่นถือมั่นโดยวิธีที่ชนทั้งหลายในท้องถิ่นนั้นๆจะรู้จักภาชนะนั้นว่า นี way, language language language well ้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงการยึดภาษาท้องถิ่นและการละเลยคำพู้สามันเป็นอย่างนี้การไม่ยึดภาษาท้องถิ่นและการไม่ละเลยคำพู้สามันเป็นอย่างไรคือภาชนะชนิดเดียวกันนั่นแหละในโลกนี้บางท้องถิ่นรู้จักกันว่าปาติบางท้องถิ่นรู้จักกันว่าปัตตะบางท้องถิ่นรู้จักกันว่าปิตะ บางท้องถิ่นรู้จักกันว่าสราวะบางท้องถิ่นรู้จักกันว่าฮารอสะบางท้องถิ่นรู้จักกันว่าโปณะบางท้องถิ่นรู้จักกันว่าฮณนะบางท้องถิ่นรู้จักกันว่าปิปิละภิกษุพูดอย่างไม่ถือมั่นโดยวิธีที่ชนทั้งหลายในท้องถิ่นนั้นๆจะรู้จักภาชนะนั้นได้ว่าได้ยินว่า ท่านผู้มีอายุเหล่านี้พูดหมายถึงภาชนะนี้ภิกษุทั้งหลายการไม่ยึดภาษาท้องถิน่นและการไม่ละเลยคําพู้สามันเป็นอย่างนี้คําที่เรากล่าวไว้ว่าไม่พึงยึดภาษาท้องถิน่นไม่พึงละเลยคําผู้สามันนั่นเพราะอาศัยคานี้เราจึงกล่าวไว้ ทั้งหลายในอารณวิพังนั้นธรรมคือการประกอบหนึ่งหนึ่งซึ่งโสมนัสของบุคคลผู้มีความสุขอันเกิดจากกามอันสามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้มีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมมีกิเลส แต่ในเรื่องนั้นธรรมคือการไม่ประกอบหนึ่งเนืองซึ่งสมณัตของบุคคลผู้มีความสุขอันเกิดจากกามอันซามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้ไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูกเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมไม่มีกิเลส ทั้งหลายในอารณวิพังนั้นธรรมคืออัตตกิลมถ า, านุโยกอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้มีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมมีกิเลสแต่ในเรื่องนั้นธรรมคือการไม่ประกอบหนึ่งหนึ่งซึ่งอัตตกิลมัฐานุโยค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 เพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมไม่มีกิเลสภิกษุทั้งหลายในอารณะวิพังนั้นธรรมคือการยกย่องการตำหนิและการไม่แสดงธรรมนี้มีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความขับแค้น มีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมมีกิเลสแต่ในเรื่องนั้นธรรมคือการไม่ยกย่องการไม่ตำหนิการแสดงธรรมเท่านั้นนี้ไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูกเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมไม่มีกิเลส สุทั้งหลายในอารณะวิพังนั้นธรรมคือสุขอันเกิดจากการสุขอันเกิดจากการไม่เพศสัมพันธ์สุขของปุถุชนไม่ใช่สุขของพระอริยนี้มีทุก์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมมีกิเลสแต่ในเรื่องนั้นธรรมคือเนกข ม, มสุข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 ทั้งหลายในอารณะวิพังนั้นธรรมคือความลับที่ไม่เป็นความจริงไม่เป็นความแท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้มีทุกมีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมมีกิเลสแต่ในเรื่องนั้นธรรมคือความลับที่เป็นความจริงเป็นความแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้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 ธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมไม่มีกิเลสภิกษุทั้งหลายในอารณะวิพังนั้นธรรมคือคำล่วงเกินต่อหน้าที่ไม่เป็นคำจริงไม่เป็นคำแท้ไม่ประกอบได้ประโยชน์นี้มีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้น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 ทั้งหลายในอารณะวิพังนั้นธรรมคือคำที่บุคคลผู้รีบร้อนพูดนี้มีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดเพราะฉะ น, นั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมมีกิเลสแต่ในเรื่องนั้นธรรมคือคำที่บุคคลผู้ไม่รีบร้อนพูดนี้ไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อน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 ธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมไม่มีกิเลสภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาในอรณะวิพังนี้อย่างนี้แลวว่าเราทั้งหลายรู้ธรรมที่มีกิเลสและรู้ธรรมที่ไม่มีกิเลสแล้ว จากปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเพื่อไม่มีกิเลสกุลบุตรผู้มีนามว่าสุภูติได้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเพื่อไม่มีกิเลสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิทธินี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระพาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลอรณวิพังขสูตรที่9จบ ท่าตุวิพังขสูตรว่าด้วยการจำแนกธาตุเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นมคธถึงกรุงราชครึ่แล้วเสด็จเข้าไปหานายช่างหม้อชื่อพักวะถึงที่อยู่แล้วได้ตรัสว่าพักวะถ้าท่านไม่หนักใจเราขอพักในศาลาสักคืนหนึ่ง นายพควะกราบทูลว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมไม่หนักใจเลยแต่ในศาลานี้มีบรรพชิตเข้าไปพักอยู่ก่อนแล้วถ้าบรรพชิรูปนั้นอนุญาตก็เชิญท่านพักตามสบายเถิดก็สมัยนั้นแหลกุลบุตรชื่อบุ ก, กุสาติออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคปุ ก, กุสาติกุลบุตรนั้น เข้าไปพักอยู่ในศาลาของนายช่างหม้อนั้นก่อนแล้วครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปหาท่านปุกุสาติถึงที่อยู่แล้วได้ตรัสว่าภิกษุถ้าเธอไม่หนักใจเราขอพักในศาลาสักคืนหนึ่งท่านปุกุสาติตอบว่าท่านผู้มีอายุศาลาของนายช่างหมอกว้างขวางเชิญท่านพักตามสบายเถิด ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังศาลาของนายช่างหม้อทรงลาาสันทัดยาณส่วนข้างหนึ่งแล้วประทับนั่งขัดสมาธิตั้งพระวรกายตรงดํารงพระสติไว้เฉพาะหน้าพระองค์ประทับนั่งจนล่วงเลยราตรีไปมากแม้ท่านปุกุสาติก็นั่งจนล่วงเลยราตรีไปมากเหมือนกัน